วันนี้เป็นวันสําคัญนะของอชาวไทยทั้งประเทศเลยนะเพราะว่าเป็นวันบุญที่สําคัญนะเรียกว่าบุญเดือนสิบนะถ้าเป็นพายุสารก็เรียกว่าบุญข้าสากรนะถ้าเป็นภาคอื่นนะเช่นภาคใต้ก็เรียกว่าบุญชิงเปรดนะสำคัญยังไงนะสําคัญเพราะว่าเป็นวันที่พวกเรานะได้โยมสาธุชนพร้อมใจกันมา ทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ลงลับไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รวมตลอดไปถึงบำพุบบรุษทั้งหลายนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําบุญอุทิศให้อย่างพิเศษเลยไม่ใช่แค่ทําในวันสงกรานต์ตามประเพณีแต่ว่าเป็นวันที่เราทํากันทั้งประเทศเลยทั่วทุกภาคว่าเรามีความเชื่อนะ ตามประเพณีพื้นบ้านว่าผู้ที่ลงรับซึ่งอยู่ในปรโลกเนี่ยก็จะมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่ยังอยู่โดยเฉพาะจากลูกหลานการที่บุญเข้าสากหรือบุญเดินสิบเนี่ยจะมีความหมายได้เนี่ยก็เพราะว่าลูกหลานเนี่ยมีความระลึกนึกถึงบรรพบุรุษ โดยเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราลึกถึงยังไม่พอนะมีความสำนึกในบุญคุณด้วยเมื่อสำนึกในบุญคุณแล้วเนี่ยก็ปรารถนาที่จะตอบแทนท่านเอื้อเฟื้อท่านแม้ว่าชีวิตจะหาไม่หรือว่าอยู่ในปราโลกแล้วการที่พวกเราเนี่ยมาทำบุญอุทิศให้กับความพื่ระโยชนที่ล่วงลับโดยเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ายายเนี่ย ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูนะความกตัญญูกะตะเวทีเนี่ยมันเป็นคุณธรรมสําคัญนะของมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะของชาวพุทธอย่างเดียวนะขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แรกที่ต้องมีความกตัญญูรู้คุณโดยพระผู้ที่ได้มีบุญคุณกับเรานะที่สำคัญก็คือพ่อแม่แล้วก็ยาไปถึง ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพอถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีเราจนถึงทุกวันนี้ได้ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีความกระตันอยู่กะตะเวทีเนี่ยเป็นบุคคลหาได้ยากบุคคลหาได้ยากนี่มี3ประการนะที่ผู้เจ้าตรัสเอาไว้หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ได้เผยแพร่และปฏิบัติพระธรรมวิญัยที่พระองค์ได้ทรงสั่งสอน และ 3, ผู้ที่มีความกตัญญูกต่าวเวทีไม่ใช่แค่มีความสำนึกในบุญคุณของท่านขณะที่ยังมีชีวิตยอยู่แม้ท่านจากไปแล้วก็ระ ล, ลึกนึกถึงแล้วก็อยากจะทำความดีเพื่อเฟื้อท่านและวิธีที่สาคัญคือการทำบุญอุทิศให้กับท่านทำไมบุญจึงสำคัญนะเพราะว่าผู้ที่อยู่ ในปรโลกหรือพบหน้าหรือโลกอื่นเนี่ยอย่างอื่นทรัพย์สมบัติอย่างอื่นที่มีในโลกนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วละแล้วก็เอาไปไม่ได้ด้วยตอนที่มีชีวิตอยู่สะสมไว้มากมายจะเป็นเงินทองแก้วแหวนที่ดินรถยนต์บ้านแต่ว่าพอตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง ใช้ประโยชน์ไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญก็คือบุญกุศลบุญกุศลนี่แหละหนะ้าที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้ท่านนะประสบสุขในปรโลกนะโดยเพาะถ้าอยู่ในภพภูมิที่ลำบากนะเช่นอยู่ในเปตพภูมิเนี่ยตายไปแล้วเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็จะหิวโหวยนะเหี่ยวแห้งหนาว พราะาขาเสื้อผ้าอาภรณ์แต่บุญเนี่ยที่อุทิศไปให้เนี่ยก็จะกลายเป็นอาหารก็จะกลายเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์จะกลายเป็นที่อยู่ที่ทําให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะมีความสุขในปรโลกได้อันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจนะว่าเนี่ยให้เราจะแม้เราจะมีเงินทองมากมายแต่ก็อย่ามองข้ามความสําคัญของบุญกุศล ผู้จ่ตัดว่าเนี่ยบุญเนี่ยอนทให้เกิดสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าไม่ว่าโลกหน้านั่นจะเป็นอะไรบุญก้อนมุ้ส่งสามารถจะทำให้เกิดความบันเทิงในโลกสวรรค์ได้หรือว่าได้ไปประสบสุขในสัมภารพบหรือแม้แต่จะอยู่ในภพภูมิที่เรียกว่าทุกติเช่นนรกหรือว่านรกภพภูมิหรือเปตภพเนี่ย บุญเนี่ยที่ได้รับเนี่ยจากผู้ที่ยังอยู่ก็ช่วยนุนส่งทำให้หายทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะของชาวไทยเราเนี่ยโือเพราะในวันเรียกว่าบุญเข้าสากเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยก็จะมีโอกาสได้มาสู่โลกมนุษย์เพื่อที่จะรับส่วนบุญหรือว่าพวกที่เป็นเปรตนะก็เหมือนกันนะ อยู่ในทุกติภูมิผิวหอยก็มีโอกาสที่จะขึ้นมารับส่วนบุญส่วนบุญนี้ใครจะให้นะก็คือลูกหลานนั่นแหละลูกหลานที่มีความกตัญญูเมื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราล่วงลับเราไม่รู้หรอกนะว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดอาจจะอยู่ในสุกติเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ หรือว่ า, า จ, จะอยู่ในทุกติอยู่ในนกกรกภูมิเบตภูมิก็ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราลึกถึงท่านเราลึกถึงความดีเราถึงบุญกุศลของท่านนะอยากจะช่วยเหลื อ, อก็ควรจะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อท่านให้ได้ประสบสุขในสัมเพรพภ์และการที่เราทําบุญอุทิศให้กับท่านเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะที่จะช่วยทําใหนะ้ไม่ไปประสบความทุกข์ร้อน ในปรโลกในพบปืดถ้บุญจิงสำคัญนะแต่การที่ลูกเนี่ยนะจะมีความกระตันยูกระตะเวชีได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เป็นพ่อแม่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าเป็นพ่อแม่และดูแลลูกดีสอนลูกให้มีความกระตันยูลูกก็จะมีความกระตันยูต่อพ่อแม่ ตั้งแต่พ่อแม่เนี่ยยังมีชีวิตยอยู่แม่จะยังไม่แก่ลูกก็ดูแลพ่อแม่เอื้อเฟื้อพ่อแม่ในยามแก่ชาราลูกก็รักษาพยาบาลช่วยเหลือท่านและเมื่อตายก็ยังระลึกถึงความดีแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้นะถ้าหากว่าพ่อแม่เนี่ยไม่เลี้ยงดูลูกด้วยความเอาใจใส่ นะด้วยความรักลูกก็คงยากนะที่จะมีความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยทำบุญตุทิหาในยามที่ร่วงลับก็ต้องรู้จักนะสอนลูกดูแลลูกให้เป็นคนดีมีศีลธรรมมีความกตัญญู และที่สำคัญคือว่าแสดงตัวให้เป็นแบบอย่างว่าเราก็เป็นคนมีความกตัญญูต่อพ่อแมนะ่ลูกเห็นพ่อแม่มีความกตัญญูต่อปู่ย่าตายายนะเลี้ยงดูท่านนะดูแลท่านในวัยแก่ชราและเมื่อถึงเวลาที่ท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านอย่างสม่าเสมอทุกโอกาสถ้าพ่อแม่ทําตัวเป็นแบบอย่างในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณ ลูกเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่แต่ถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่มีความกตัญญูต่อบิดามารดาผู้จะเป็นปู่ย่าตายายในการที่ลูกเนี่ยจะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะสนองคุณของท่านหรือว่าทำบุญอุทิศไปให้ท่านในยามที่ท่านล่วงลับไปแล้วนี้ก็ยากและดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า ผู้ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยไปอยู่ในปราโลกที่เป็นทุกขตินะนรกก็ดีเปล ก, ก็ดีก็คงจะทุกขทรมานไปอีกนานเพราะว่าไม่มีลูกหลานทําบุญอุทิศให้เพราะลูกหลานเนี่ยก็ไม่มีความกตัญญูไม่ได้สํานึกในบุญคุณของพ่อแม่หรือว่าไม่ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของพ่อแม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะมีสุขในสัมปยาภพ ไม่ใช่แค่มีความสุขในโลกนี้ก็ต้องสอนลูกให้ดีๆนะทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกนะด้วยการกระตันยูต่อพ่อแม่คุยญาติ ย, ยายแล้วก็ดูแลลูกด้วยความรักนะรู้จักเอาใจใส่นะไม่ใช่ให้แต่เงินแต่ไม่มีเวลาให้กับลูกนะเป็น การยนการยานมิตรหรือเป็นบุรพาจารย์ของลูกอย่างแท้จริงบุรพาจารย์คืออาจารย์คนแรกนั่นคือแนะนำสั่งสอนนะไม่ใช่ปล่อยให้ลูกเนี่ยไปเรียนเอาจากโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวนี้พ่อแม่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้เลี้ยงลูกแล้วแต่ให้โทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกแทนแต่ก่อนหน้านั้นก็ให้โทรศัพท์ให้โทรทัศน์เลี้ยงลูกนะแต่เดี๋ยวนี้ให้โทรศัพท์มือถือเลี้ยงลูกแทน พ่อแม่ไม่มีเวลาบางทีไปเล่นไพ่บางทีพ่อแม่ก็ไปเล่นไก่ชนนะไม่มีเวลาดูแลลูกลูกร้องก็เอาโทรศัพท์จัดมือนะแล้วก็ให้ลูกไปเล่นโทรศัพท์ตั้งแต่สองขวบสามขวบนะเดี๋ยวนี้ก็มีนะเด็กตัวเล็กเนี่ยสองสามขวบนี่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วนะเปิดดูการ์ตูนเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้ พ่อแม่ไปทำอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็หรือไม่ก็พ่อแม่ก็เล่นโทรศัพท์เองนะลูกมาเรียกก็รู้สึกถูกลบกวนกวนใจําคาญก็ให้โทรศัพท์ลูกเอาให้ลูกไปเล่นไหมให้ลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ถูถกเลี้ยงดูด้วยโทรศัพท์มือถือและสิ่งที่ลูกเห็นเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดกิเลสทําให้เด็กขาดสมาธิ ถ้าเลี้ยงลูกแบบนี้เนี่ยนะพอลูกโตขึ้นเนี่ยลูกก็ยากนะที่จะมีความเคารพนับถือหรือความกตัญญูต่อพ่อแม่ถึงเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยลูกก็ไม่ส่งไม่คิดจะทําบุญอุทิศไปให้แต่ว่าแต่พ่อแม่ตายเลยตอนที่พ่อแม่ยังอยู่เนี่ยนะลูกก็กลายเป็นลูกบังเกิดกล้านะเอาแต่ขอเงินจากพ่อแม่เพราะคิดว่าพ่อแม่มีหน้าที่ให้เงินแต่ไม่ได้สํานึกในผลคุณของพ่อแม่ว่าพ่อแม่รักพ่อแม่ห่วงใย ทนะี่พ่อแม่นี่ต้องนะทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับลูกนะดูแลลูกด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่เสียสละนะมีเวลาก็สอนลูกมีเวลาก็ฟังความทุกข์ของลูกลูกมีความทุกข์อะไรก็ยินดีรับฟังนะไม่ใช่เอาแต่บ่นดา่าหรือว่าสั่งสอนจนกระทั้งลูกเนี่ยบางทีไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้พ่อแม่พออยู่ใกล้แล้วมีแต่ถูกดา่าหรือว่า ถูกสั่งสอนนะเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็จะลำคานมากแต่ถ้าพ่อแม่มีความรักให้กับลูกนะลูกก็จะมีความรักมีความกตออัญญูต่อพ่อแม่ถึงเวลาพ่อแม่ตายท่านก็ทำบุญอุู่ทิศไปให้ลูกก็ทาบุญอุทิศไปให้และถ้าใหดีเนี่ยก็อย่าไปรอบุญจากใครเลยนะทำบุญตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอบุญจากลูกไม่ต้องรอ หลานจะทำบุญอุทิศไปให้ทำบุญเสียแต่วันนี้นะถ้าทำบุญเสียแต่วันนี้โดยการมีศีลมีธรรมด้วยความมีน้ำใจเ อ, อื้อเฟื้อเผื่ อ, อแผ่นะรู้จักผิดชอบช่วดีบุญที่สะสมไว้เนี่ยมันก็จะเป็นสเสบียงให้ได้ประสบสุขในภพหน้าตายไปแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปตกในนรกกลายเป็นเปรตเพื่อที่จะรอส่วนบุญจากลูกหลานในวันอย่างนี้ แต่ว่ามีสเสบียงบุญหล่อเลี้ยงให้ได้ประสบสุขในสัมไตรภพนะไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกมนุษย์อย่างนี้ดีที่สุดนะอย่าไปรอหวังนะว่าลูกหลานเขาจะทําบุญชดใสิไป ใ, ให้กับเราเมื่อเราตายไปแล้วเราสร้างบุญทําบุญแต่แต่วันนี้ทําความดีมีศีลมีธรรมเพื่อเพื่อเกือเกอเก้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นแล้วกเ็เราเป็นความชั่วบุญที่สร้างเนี่ยก็จะทําให้เรามีความสุขทั้งในวันนี้ ในโลกนี้แล้วก็ในวันหน้าหรือโลกหน้าด้วย